ขอกราบสวัสดีผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปรุมทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่4ี่ธันวาคมพุทธศักราชสองพรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบประมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบประจุเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้ทางรายการการพัฒนาประเทะคุณประเทศบิลกวัดประวัลด้วยวิหารเป็นวิกรตอบปัญหาธรรมะครับ หมายเโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้กำลังรอรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามานะครับตอนนี้นะครับขออนุญาต แจ้งถึงท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านนะครับที่สอบถามมากันอย่างมากมายเลยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันทําบุญอายุวัฒนธมงคลของท่านเจ้าของรายการนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพลเอกเสรีผู้กมกาบนะครับก็ท่านได้กราบอัลธนาพระเทรามุเถระท่านผู้ใหญ่หลายรูปเลยนะครับเพื่อที่จะนะฮะทำบุญในวันนี้และท่านฝากบอกแฟรายการทุกท่านเลยนะครับที่อวยพรท่านมาแล้วก็จดหมายอวยพรท่านมานะครับก็ท่านขอขอบคุณมากและขอท่าน ขอให้บุญกุศลที่ท่านทําในวันนี้นะครับอย่างน้อยเลยก็ขอโดยบรรดาลให้กับแฟรายการผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบชุมทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขนไปเลยนะครับท่านฝากเรียนท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านมาด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่า ท่านได้กับพันธนาพระเทพคุณพระธรรมโกศ า, าจารย์ท่านที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุลกรราววิรัยนะครับได้ปาตกรถาปตาตกรถาธรรมพิเศษในหัวข้อเรื่องสันติธรรมนำสู่สันติสุขนะครับและท่านบอกว่าอยากจะให้ซีดีแผ่นนี้นะครับเป็นเวทานเผยแพร่สู่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านเป็นศีลธรรมะที่บรรจุเนื้อหานะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆ เ, เลยท่านก็ขอบอกว่าสําหรับท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสุพนุษทุก ท, ท่านครับ สามารถที่จะจดหมายเพื่อสอบถามเอ่อาจารทวดครับจดหมายมาขอสิธธรรมะแผ่นนี้ได้เลยนะครับที่ รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบ ป, ประทุมหกเประหลงโยธินเจตุจัจกรกรุงเทพหนึ่งศูนเดี๋ยวสัดท้ายท้ายรายการผมจะประชาสัมพันธ์เรื่องสิรีธรรมะแผ่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง น, นะครับและในวันนี้ท่านพระเดชคุณพระบิลกได้นะครับอนุเคราะห์นะครับไปร่วมงานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลด้วยนะครับท่านพระเดชคุณครับขออนุญาตท่านเจ้าคุณอาจารย์ช่วยน้องน้ำพรสู่ท่านเจ้าของรายการท่านเดชเสด็จีหน่อยนะครับเนื่องจากในนนนววัััคคล้าาเกิดท่รบ ท่านพ่อนก็ว่ากันตามความจริงตอนตอนยะฐานเนี่ยอนุโมทนาด้วยบงคกลจากกว่า น, น้อยเลยเนี่ยอครับตั้งแต่เรืเ่อง <laughs> ะเที่ยศนะแต่ว่าในที่นี้ก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรัยได้โปรโดดบันดาลพิบาลรักษาให้พลเอกเสรีพุกมานและท่านอาธิการบรดีตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านในมหาเทียนไลนักเรียนในนนักศึกษาทั้งหลาย ประสบความเจริญงอกงามไพ่บูรณในธรรมที่พระพุทธมีภาะจาติทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทุกกันและขอให้แต่ละท่านสมบูรณ์ด้วยจตุรพิตรพรทั้งสี่ประการคือยุวันนะสุขะพละอีกทั้งปฏิพานธนสารสมบัติตลอดการเป็นนิพพิเตินขอกราบคุณท่านครับมีสายแรกเลยนะครับมารออยู่นะครับสวัสดีครับ ผมขออวยพรให้วันเกิดของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสีริทุ่งนะคะท่านพระเด็กเสรีท่านที่สานการครับผมแต่ครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจนกว่าจะเข้าถึงอริยพานนะคะขอบพระคุณมากท่านพระเดชเสรีฟังอยู่ที่ไหนครับท่านครับท่านเลยค่ะครับผมหลวงพ่อเมืองเตนาดค่ะโอ้ครับผมครับมีปัญหาอะไรสอบถามปัหาธรรมะพระเดชพระคุณเชิญเลยนะครับค่ะกาอถามหลวงพ่อเจ้าค่ะ ฉันซื้อซีดีจากประวัติบรวรมาไอเป็นวิดีโอค่ะครับทีนี้จะไปจ้างุงขาทอลงแผ่นซีดีแล้วก็เพื่อเผยแพร่จะมีความผิดหรือเปล่าคะค ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไ ร, ร, ร, รทั้งอยม่ค่ะอยากไปแตะที่กขบทเนื้อธ<อ>รรมะถวายตามวัดต่างๆะคะ่ะออก็กลัวจะกงวลลิขิตหรือเปล่าไปถามพ่อก่อนจะป่ะไม่ไมีลิขสิทธิ์หรอกค่ะผม ครับมีมีปัญหาข้อเดียวนะครับค่าขอพระคุณค่ะครับผมท่านอาจารย์หลายหลายท่านอยากได้ซดีท่านท่านอาจารย์ไปแจกเผยแพร่มากเลยนะครับพดีมากเลยท่านอาจารย์ครับครับผมอันนี้ไม่มีทีข้าสิทธิ์นะครับไม่มีเครับผมขอพคุณท่านอาจารย์นะครับที่เผยแพร่ทำมาเป็นรรณการแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านนะครับสายที่สองครับสวัสดีครับในการรัฐการคับท่านอาในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าอุกข์ก่อนนี่นะครับ ที่พ ร, ระบุคลาณภาษาลิบุตรเนี่ยก่อนอยู่เป็นนักขสาววเบื้องขวาเบื้องซ้ายนี่นะครับก็มีการถวายอาหารแก่พระองค์ไดรับอุปถัมภ์แล้วก็พระองค์ทั้งลหลายแล้วก็ขอทูลขอพรให้เป็นนักสาววเบืงซ้ายเบื้องขวาใช่ไหมครับถึงไ ด, ถงได้ถึงได้ทำหนังนี้ ม, มาประมาในในในในทุกทุกเจ้าองค์ปจุบันนี้อาณาจิกรชาเสถียรข อ, ข อ, ข, อ, ข, อ, ข, อขอไปขอขอกลับไปคําถามก่อนนี้นะคือว่า ถ้ารีนเรียอาหารถือว่าอาหารเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนึ่งในการขอขอพรขอขอตำแหน่งครับค น, น, น, นีในในรัชชากัปัจจุบันเนี่ยอนาคติกาเศรษีส่วนใหญ่แล้วก็จะสร้างวัดเชตวันนี่นะครับเป็นสร้างมีก่าวไว้าท่ไนก็วิถวกไลยครับว่าท่านไปขออะไรไปบ้างขอางคนรับขอบพระคุณนะครับคนแรกคนประเด็กันนะฮะคือหมายคว <ขอ S 1> ามว่าท่านพระสารีบุตรพระโมคคลานะที่สมัยนั้นเน่ะ คือท่านปรารถนาที่จะเป็นพระอา卡สาวกของพระพุทธเจ้าพวงใดพวงหนึ่ง ใ, ในอนาคตด้วยผลของทานที่ได้บริจาคแต่ที น, นี้ท่นนาธบินิกาเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันก็ไ <c> ด <oughs> ้ไม่ต้องอธิษฐานอะไรหรอกเพราะท่านมีแล้วแล้วก็ท่านก็เลือกเกิดได้ซะไปคือคือคือการอธิษฐานตั้งตั้งปรารถนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันสำมั่นสามัญชน Oh. อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่สําหรับพระอริยบุคลคลอริบอยบุคคลท่านไม่ตั้งความปรารถนาหรอกเพราะว่าท่านท่านได้ตามความปรารถนาแล้วครับแล้วก็ท่านไม่ได้ตกตามอะ่ะคือหมายความว่าพระโสดาบันเนี่ยเกิดดีอย่างน้อยอย่างมากก็เจ็ดชาติทางกอร น, นิพพานแล้วมันรู้ oh. ว่าผลเป็นราห์แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตัง้ตงฮนะ oh. okay. ท่านผูค้ครับรสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยทางพุทธศาสนานี่มีหน้าที่ต่างกันไหมครับก็เป็นเป็นภารกิจที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือว่าองค์หนึ่งจะหนักไปในทางปัญญาชนคือ ค, ความว่าไปพูดกับปัญญาชนซึ่งต้องเลิศ ด, ด้วยปัญญาแต่องค์หนึ่งต้องใช้คืออํานาจอิทธิฤทธิ์ต่างๆในการกำํำราบปราบปรามคนที่ เอกระด้างคนที่ขัดขวางคนที่ต่อต้าน อ, อะไรต่างๆซึ่งก็ต้องใช้ฤทธิ์ทีนี้ก็ก็รสรุปว่ามาไปสอดรับกับปฏิหารสามประการนะครับเห็นเราเห็นว่าอิทธิปฏิหารก็พระโมกขลานะส่วนใหญ่จะใช้ครับส่วนนุสาสนีปฏิหารพระษาลิบุตรก็จะเดินตามก็กหมายความก็สอดคล้องกันครับพูดง่ายๆว่าพระมกขลานะหยาบตามด้วยละเอียดพระสาริบุตรนั้นละเอียดได้เลย ก็ก็กลุ่มป้าหมายจะต่างกันในการทำงานแต่ว่าหวังประโยชน์เพื่อกูลซึ่งกันและการครับขอบคุณท่านคุณอาจารย์ครับสายที่สามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสอบถามด้วยครับอาจารย์ท่านทุกท่านด้วยนะครับพอผมอยากจะถามปัญหาตะข้อนะครับผมไม่ไม่ค่อยสบายใจมาหลายวันแล้วฮะเดี๋ยวผมผมจะพยายามพูดอย่างรวบรัดที่สุดนะครับคือผมกับภรรยาเนี่ยเก็บเงินกันได้ก้อนหนึ่งเพื่อจะเอาไปสร้างวิหารนะครับที่วัดในต่างจังหวัดเนี่ยก็ ทำกันมาหลายปีก็ยังไม่เป็นน ะ, นะครับมาปีนี้ผมเก็บสะสมเงินได้ก้อนหนึ่งนะครับแต่มันยังไม่สามารถจะทำอะไรได้มันยังไม่ครบค่าก่อสร้างตรนนี้ทางวัดเนี่ยได้โทรศั์มาแจ้งว่าจะขอยืมเงินก้อนนี้ก่อนเพื่อเพื่อนำไปใช้ในกิจอย่างอื่นคือจะนำไปใช้จัดงานวัดเพื่อจะลองสมณศักดิ์ทางวัดเนี่ยนะฮะทางวัดเงินไว่พอตอนนี้ผมกับพันยาก็รู้สึกไม่สบายใจ ที่ที่รู้สึกว่าเงินก้อนนี้มันจะถูกใช้อ ย, อย่างผิดวัตถุประสรงค์เนี่ยครับคันนี้คันจะไม่ให้ก็จะรู้สึกเกรงใจท่านเจ้าวาดเนี่ยก็เลยอยากจะรบกวนถามอท่านดูคุณนิดนึงว่าอย่างนี้ผมผมควรจะให้หรือไม่ให้ซึถ่ถ้าถ้าไม่ให้นี่จะเป็นบาปนะครับหรือว่าถ้าให้ไปแล้วเนี่ยบุญกุศลที่เราจะ นำปัจจัยก้อนี้ไปตั้งวิหารเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับขอบคุณครับแล้วฟังทางวิจิตนะครับขอบคุณมากครับมันค่อนข้างจะเสียเรื่องมากอ่ะนะฮะคือเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ผิดเจตนารมคือการฉลองสมณศากดิ์มันก็บ้าซ้อนบ้าแล้วฮะคือบาคนก็เพี้ยนเนี่ยพวกฉลองสมณศักดิ์ทั้งหลายเนี่ย อย่างนี้มันอันนี้มันเจตนาสร้างวิหารทานเพราะงั้นไม่ควรให้ยืมหรอกฮะไม่ควรให้ยืมแล้วไม่บาปอะไรด้วยนะอะไรพระไปถึงโทรศัพท์อยู่สตังน่าเกลียด <laughs> ฉลองอะไรธรรมนัสกไปฉลองทําไมครับม <laughs> าเป็นมาถึงชั้นเทพหรือไม่เคยฉลองซะอ่ะไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาฉลองไม่อไม่ฉลองมันมันเป็นเรื่องจึงน่าละอายชาวบ้านเขาค <laughs> ือมันเป็นวิธีแบบชาวบ้าน ่ <Okay. S 2> ที่แบบชาบ้านการฉลองยศศักดิ์ตําแหน่งเนี่ยมันมีที่แบบชาบ้าน <Okay. S 2> แต่ว่าของของพระเราเนี่ยมันมีอยู่สองชั้นนะฮะคือคือชั้นหิรันยบัตรกับชั้นสุวรรณบัต <Okay. S 2> ชั้นสมเด็จกับชั้นรองสมเด็จเนี่ย <Okay. S 2> คือเขาเขาก็มีประเพณีที่จะต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ให้แก่เจ้าของเดิมออเจ้าของพร<า>นะเดิมอ่ะครับ ก็มีทักษิณานุปาทานมีการทําบุญสมโพธิเป็ น, ป เ, นเป็นเป็นอีกระดับหนึ่งคือคือหมายความมาเป็นจารีตที่เขากําหนดเอาไว้ว่าต้องมีการสม да โพับเพราะว่าเป็นการสถาปนาคือไม่ใช่แต่งตั้งนะฮะเป็นการสถาปนาครับางวัดทีนี้พระครูก็จะลองกันกันมากไปฮะคือ ออกมาว่าพระจะทําให้ศาสนาเสื่อมเรื่องซึ่งเรื่องสมถศักดิ์เนี่ยค ร, เ, รเคยพูดเตือนหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งมันมากเลยถ้าได้มาก็ให้มันได้มาโดยความสุจริตถ้าไม่ได้เราก็เป็นพระแล้วใช้ความเป็นพระเนี่แหลมันเป็นประโยชน์ครับทํางานให้เต็มที่ไม่ได้เป็นอะไรก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเราเสร็จแล้วเราก็ตายครับแต่เป็นพระให้ดีเนี่ยนั่นคือถูกต้องที่สุดครับ อืครับขอบคุณเชิงปัจจะกับสายที่สี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนักนกมารการผลิตพ ร, ร, ระคุณท่านครับสอบถามได้เลยครับครับคือรายการตำรวดลูกช่องห้าี่เอาชีวิตต่างดาวจาดดาวมิสสีมาออกรายการไม่ทราบว่าจริงจิตรการใดนะครับเจ้ต่อเผมเอาต็อกไปฉีดขวางทางมด เดือนหมดตายนี้ไม่ทราบว่าปิดตีนไหมครับขอวงพ่นะครับขอบคุณมากครับที่มีแต่ชีวิตต่างดาวนี่มออีคือจริงๆต่างดาวเนี่ยเขา ม, มีอยู่แล้วนะฮะโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ปราโลกคือโลกอื่นไงฮะ เราอื่นหมายความว่าชีวิตในมิติทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงแสดงว่าไอ้มาฐานชีวิตระดับมนุษย์เดี๋ยมันก็มีเป็นพันพันดวงครับมันไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่มีเฉพาะโลกเราเพียงเพียงโลกเดียวเขาเรียกว่าโลกอื่นแต่ทีนี้ที่ที่เอามาพูดเนี่ยมันมันแบบความเชื่อแบบฝรั่งครับรูปร่างหน้าตาก็พิกลคือเทวดาก็สวยกว่าเราอ่ะนะเทวดาก็สวยกว่าเราทําไมรูปร่างพิกลก็ก็ก็ยังคิดแบบฝรั่งอยู่ครับ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาประจักษ์ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าเราได้ประโยชน์อะไรคือเรื่องใหญ่แต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ก็เป็นเรื่องของเขานะฮะแต่ว่าอย่าไปโจมตีเขาเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกเยอะเ้าประสบการณ์ตรงเฉพาะตัวของคนต่างๆเขาก็มีอีกเยอะ แล้วก็ไปขัดฝันควา ม, วามชื่ออะไรเขามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดไประโยชน์อะไรขึ้นม า, าแต่ถามว่าโลกอื่นมีไหมก็มีเยอะอนันนั้นได้จักรกวาล น, นะะแสนโกดจักรวาลมันมันนับกันไม่ไัดไม่ไหวหรอกชอะไรค่าหมดจับจีอ๋ออันนั้นมันเป็นเจตนาะหเจตนาะฆ่าอยู่แล้วครับก็บาปอยู่แล้วอนะันนั้คือเคือถ้าเราทำเหมันมีกลิ่นบางอย่างในเวลาเนี้ย คือเขาเขาได้กลิ่นแล้เเขาก็หนีเขาก็หลบไปทางอื่นแต่ถ้าไอฉีดน้ายาเนี่ยเป็นน้าอ่ะมันก็ติดอ่ะครับฝากขอบคุณครับก็หลบๆซะบ้างก็ดีครับมครับ022413315ครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับเนรายกาครับสวัสดีครับครัด้วก็การหลวง่อครับสวัสดีครับเรายการครับสวัสดีครับเออาว่พีเจว่าผมเอออยาะม เออบาบมึงมึงมีความทุกข์ใช่ไะแล้วก็บุญมึงมีความสุขแต่มันไม่รู้และผมผมไม่รู้รละเอียดเลยฮะอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยเครแตเน้เคยไยินว่าบมึตัวมันแบนมนตมันกลมแล้วม่บวชก็แยุ่งๆกันบ้างาบ่ออธิบายยแล้วก็ข้อสองเอออยากจถามว่าขณะที่ผมอยู่บ้านเนี่ยมีคนเพียงลังคากระตุกกทัที่พักอยู่เงด้วันะฮะแะ อผมเสียใจแต่เขดีใจเมือเขาทำเนี so, room, oil, so, mind, so, so, eating, so, ่ยมกลับกันแล้วขนาดเขาทดีเขดีใจก็ได้บุนเองอะขนาที่ผมเสียใจที่ผมทุกข์พราาแก้ไอ้กรเทียมมันก็เป็นลินที่เลยะโดนมาเนี่ยคือเโดนเช้าตั้งแต่เลิกงานมาเดนมาตลอดเลยข้าไม่ับก็โดนเหมือนด้วยฮะอเจ้กับมันไม่กลับหนพ่อแครับคุณรับขอบคุณครับคือบาบุญเนี่ยมันเป็น ตัวผลนะ่ะหมายถึงความสุขความทุกข์น ะ, ะผลของบาปก็คือความทุกข์ผลของบุญก็คือความสุขทีนี้เราจะเห็นว่าในตอนตรงเนี้ยคือคุณไปไปยึดมั่นถือมั่นมันในเรื่องของคนอื่นน่ะครับรือ แ, แต่เราไม่ใส่ใจมันก็จบอืเราไม่ใส่ใจก็จบถ้าเห็นว่าอมีกลิน่นมีอะไรเราก็หลบหลบไปเสียมันก็จบแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ ตัวสำคัญว่าลักษณะแผดเผาเจโนโกโรธใครเนี่ยมันก็คือบาปแล้วบาปเกิดในขณะนั้นแล้วเราเมตตาต่อใครบุญมันก็เกิดในขณะนั้นแล้ว อ, อันนี้เราจะดูที่เหตุในชัดนะจะดูที่เหตุในชัดว่าถ้าเราโกโรธแล้วใจเราไม่ปกติก็ใจเราก็เป็นทุกข์ไอ้ตรงนี้เกิดจะโกโรธเลยน ะ, ะครับโดยที่จริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจตนาอะไรของ จะจะจะไปรบ ก, กวนในเราหรอกคนมันก็สนุกสนานกาันคนเมาเหล้าบ้างเด็กบ้างเราอยู่ในสังคมที่มีวุฒิภาวะหลากหลายอย่างเงี้ยเราจะเกณฑ์ในคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างงี้ไม่ได้หรอกเรามาแก้ที่ใจเรานะอย่าไปคิดแก้ที่ใจคนอื่นถ้าไปคิดแก้ที่ใจคนอื่นแต่เราเป็นทุกข์อยู่แค่นั้นอ่าฝันครับผมครับกับคุณเจาเวรจ่ากราฟสายที่หกครับสวัสดีครับข้ากับรัชการท่านเจ้าคุและเรากราฟสวัสดี ทานพิธีก่อนนะคะคสวัสดีครับ อ, อหนูจะถามว่าคดีที่หนูถามนี่คือแบบว่าหนูไปเถียงกับคนเ อ, อที่รู้จักกันนะคะเขาบอกว่าสวดทานยับเนี่ยคนที่ท้องอ่อนๆเนี่ยคือไม่ให้เข้าไปณนะสถานที่ ท, ท, ที่ทํำพิธีสวดเขาบอกว่าสวดแล้วจะทําให้ลูกหลุดอะไรเงี้ยคือหนูคนเถียงไป <c oughs> ห, หนูก็บอกว่า ไม่จริงหรอกบทสวดมนต์ทุกบทเนี่ยมันเป็นของดีทั้งนั้น อ, อะไรอย่างเงี้ยไม่หนูไม่ทราบว่ามันจริงเท็จแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมขอบคุณค่ะคสวัสดีครับคนคนนั้นก็คงจะถูกหลอกมานะถูกครูมา <c oughs> นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีคนที่เขาเชื่อว่าถ้าผู้หญิงท้องแก่เวลาพระเข้าบวทนาไม่ห้ามเข้าไปคือว่ามันมันมันมันลูกมันจะทะลักออกมาครับ นะเ ข, เขาเขาใช้คำว่ายัดดีเนะี่ยยัดเนี่ยฮะคือมันมันเอายัดเฉยๆเสี <c oughs> ยงเฉยๆข้าไปตีความก็ว่ากันไปจนยุ่งไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะส่วนท้องก็ท้องส่วนสวดก็สวดบางคนละพวกกันสวนก็เป็นกุศลส่วนท้องมั น, น, น ก, ก็เป็นกฎธรรมชาติครับจริงเราก็ไปฟังเราก็ใจก็ได้สงบได้บุญนะฮนะ บังงั้นอย่าอย่าอย่าไปฟังความเชื่อแบบอุปาทานสะสมใครับเนอุปาทานสะสมแกก็ไม่รู้ใครล้างสมองแกมานะฮะ ค, ค, คือคือก็ที่จริงแกก็น่าอิดัวความเชื่อในแนเนี้ยมีอยู่ในสังคมไทยเยอะแล้วก็ชอบพูดให้คนอื่นก็ไปเชื่อตามตัวเองโดยไม่พิสูจน์ทดสอบว่าบทสวดมนนั้นเป็นเรื่องพระธรรมคําสั่งสอนครับ ถึงแม้พันยักษจะมีเรื่องอื่นปนลๆลลอยู่บ้างก็ตามนะแต่ว่าอความเป็นมาของเขาก็คือว่าเป็นข้อที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระสาทยายไว้นะพวกอาตานาติยาสูต ร, ะตรยอะไรต่างๆเนี่ยนะะมันอาจจะไปเกี่ยวกับเทวดงเดาชาวจตุม า, าราชแอะไรต่างๆแต่สุบุปุแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นธรรมมาอยู่เยอะอก็เป็นความเชื่อของคนนะฮะเราอย่าไปเชื่อตามก็แล้วกันนะครับแต่ผมได้รับ อ่แฟนรายการท่านหนึ่งนะครับโทรสมาถามผมบอกว่าดูรายการทีวีแล้วพวกตลกเดี๋ยวนี้ชอบเอาบทสวดของพระศาสนามาล้อเล่นเนี่ยบางทีฟังรายการ阿รหังสามมาสามโต้สามบอกสามเนี่ยคือเลขไปของไม่หัวแล้วก็หัวล็อ ก, กันขึ้นพวกนี้บาปกรรมนี่คืออาจารย์ครับเพราะแฟนรายการ<อ>กว่าอยากจะให้จกุกจั่นช่วยตมถิตก็จริงคือคือคนเหล่าเนี้ยบางทีแก่แก่ก็ไม่เกิดปฏิะระษานะครับท่านครับ คือว่าเอทําให้อกคระวิปริตไปหนึ่งคำเนี่ยนะฮะคือถือว่าเป็นบาปครับเพราะว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นบีเบือนพระศัทธามาฮะสามเป็นสามอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้เอก็เราไม่มีโอกาสไปติดต่อกับคนเหล่านี้คที่จริงคนเหล่านี้เขาชอบทำบุญนะฮะชอบทอดผ้าป่าชอบให้ทานชอบอะไรต่างต่างแต่ว่าศีลนี่เขา เข้าใจว่าคงจะไม่ชอบรักษาอะไรแต่ว่าทานก็ชอบนะคฮะตรงนี้เราอยู่อใะจใะจะเห็นว่าเขาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเยอะครับแล้วก็โอกาสที่เขาจะฟังคนอื่นเนี่ยมันมีน้อยครับส่วนมากแล้วเขาก็ฟังกันในหมู่พวกตัวเองครับแล้วก็คิดแต่บุ๊กที่จะหาความตลกโดยโดยไม่ได้นึกถึงความเหมาะความควรครับว่ามันมันไม่เหมาะไม่ควรเมื่อก็เด็กรุ่นใหม่เด็กไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่พวก พวกวัยรุ่นน่ะชอบเอาชื่อพ่อมาเรียกกั น, นเห็นไหคใช่ครับคือคือคือแกไม่คิดว่าการที่เราไปเรียกผู้ใหญ่กว่าเราคือผู้ใหญ่รุ่นพ่อเราในรัศณะอย่างนั้นเนี่ยมันแสดงถึงการขาดธมาคาระวะ มันไม่เป็นสิริมงคลอะไรนะคารารวอเจนิวาตัวจะเห็นนะเอตมันกับละมุตมันมันขาดคารวะขาดการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อก็เป็นอาประมงคลแต่คนเหล่านี้สําคัญอย่างยิ่งคือเราไม่มีโอกาสได้ได้เจอกับเขาได้พูดกับเขาครับรแล้วก็เราก็ไม่เคย ด, ดูเขาด้วย <laughs> <c oughs> เลย <c oughs> <ๆ S 2> เราไปด้วยจุดอ่อนของเขาเพราะว่าตามปกติมันก็เป็นเรื่องไร้สาระนะเป็นเรื่องไร้สาระเราก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจดูอะไรเขาครับ เลยก็ไม่เคยรู้เรื่อง <c oughs> อะไรคุณเกิดจะกครับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีค่ะแล้วก็แต่เมล็ดสกตนขบคุณท่านเลยนะคะจะขอถามว่าเราขับรถมอเตอร์ไซค์นี่นะคะได้ไปเจอจัดที่ตายข้างถนนเนี่ยแล้วเราก็ใช้คำพูดว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขไี่ยไม่ทราบว่าจะได้ดบุญหรือบาปคะออครับผมครับ แล้วอย่างน้อยก็ แ, แค่แเดียวกันค่ะท่านอีกข้อหนึ่ง ค, คื อ, อคำธรรมะเนี่ยอ่านไม่เป็นเลยตรงที่ว่าเหนือตรงไอ้อิติวิโสนเนี่ยข้างบนเนี่ยไอ้เที่มีพอพานแล้วก็มีลาเรือนิฮานาการแล้วก็หอนีีมอมะไม่ทราบว่อ่านว่าอะไรคะอ่านไม่เป็นค่ะคือก็อ่านจริงๆนะฮะเต็มที่เขาถามผมครับเช่นครับ เตืนที่จริงๆว่าพระหมะพระหามะพระหามะก็แปลว่าพรมนั่นแหละเดี๋ยอ่ระหมะระหมะก็เขาขอให้เป็นสุขอ๋อคือคือเป็นอย่างน้อยก็เป็นกุศลและเจตนาอ๋อเป็นกุศลเจตนาเป็นกุศลเจตนาเราก็รู้สึกเกิดทำมาสังเวชต้องการให้เห็นเขาประสบความสุขไม่ต้องมาถูกรดทับอย่างนี้ก็ก็ ก็ก็เป็นบุญที่เกิดเพียรใจนะอครฮะใจเราก็เป็นมีเมตตาสงสารสาัตว์แล้วก็ปรารถนาดีต่อสัตว์มันก็เป็นบุญที่เห็นได้ชัดครับในใจแต่ว่าเขาจะได้รับหรือไม่เนี่ยมันเขาก็ไปตายไปแล้วก็าไปไปเกิดแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งนะพอเราไม่ได้กดน้ําอุทิศกุศลอะไรให้ครับผมพระครับขอบคุณครับสายที่แปดครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ สำครับรบกวนหลี่วิทยชุทางบ้านก่อนนะครับครับผมเชิญสอบถามได้เลยครับจะถ้ว่าทำบุญอะไรนี่จะได้อนุอระสงค์ืยอะสนะเช่นสร้างสาวดาราบริยมน้ำทอกิ่งทอปานั่งสมาธิารถึงหรืออะไรพวกนี้นะอ้านี้นะครับขอบคุณมากครับ คือคือมัน บ, บุญมากก็เป็นชันชานน่ะนะฮะเป็นชันชานคือสรุปว่าบุญมากมีกิเลสลดมากบุญมากกิเลสลดนะกิเลสลดลดมากธรรมะเพิ่มมากแล้วก็มีทุกลดลงมากแล้วก็ความสุขเพิ่มขึ้นมากไอ้ น, นี่คือบุญมากเกณฑ์มน ก, ก็วัดที่จิตเราอ่ะนะ <c oughs> วัดที่จิตเราเพราะงั้นถ้าดูตามลักษณะที่คุณยกมาเนี่ยก็คือการเจริญสมาธิแต่มีข้อแม้ว่าใจต้องสงบนะแต่ใจสงบก็ถือว่าได้บุญมากกว่เพื่อน ที่ยกมานะเฉพาะที่ยกมาทีนี้ในมูทานด้วยกันเนี่ยการให้ทานที่เป็นเสนาสนะวัตถุสิ่งของเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยถือว่าบุญมากกว่าพวกวัตถุทั้งหลาย<อ>แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอภัยทานเนี่ยมันมีบุญมากกว่าพวกนั้น แล้วต่อจากนั้นก็ธรรมทานก็มีบุญมากกว่าอภัยฐานเพราะว่าอกิเลสเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยโลภะมีโทษน้อยแต่ครายช้าโทสะมีโทษมากครายเร็วโมหะมีโทษมากแล้วก็รายช้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําบุญประเภทลดโลภะมันก็ได้บุญบในระดับระดับหนึ่งถ้าเทียบกันนั่นนะฮะบุญที่ลดโทสะจะได้บุญมากกว่า บุญในรถโมหะจะได้บุญมากกว่าแต่ว่าที่จริงถ้าคนลดก็คนลดด้วยกันอออเพียงแต่ว่าจุดเน้นของของของการให้ทานธรรมะเนี่ยมันเราเองก็ลดโมหะคนที่เราให้ก็ได้ลดโมหะมันก็ลดส่วนที่เป็นบาปมากมเพราะว่าโมหะมันเป็นกิลาที่ดับได้สุดท้ายนะฮะเป็นพวกกวิชาพระอรหันต์ตะนเองที่ดับก็ได้ก็ดึงดับก็ไม่ได้ ครับผมนผ่านครับขอบคุณท่านูนใจครับสายต่อไปสายที่เก้าครับสวัสดีครับครับีครับข้อความเรียนถามอย่างนี้นะครับตามที่นโยบายของรัฐบาลมีนะที่จะให้อลดละเลิกระบายมุกอะไรนี่นะครับเอ่อมันก็มีหลายๆอย่างนะครับผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างเช่นหวยจะเดาออกให้มันมีอยู่ครั้งเดียวครับเอาอย่างนี้ได้ไหมทางั้นโรงงานจะสู่ผลิตครั้งเดียวต่อเดือนได้ไหมครับ ลงเราลงยาเพลค้างต่อเดือนได้ไหมครับผมมองว่าแก้ปัญหาไม่ถูกเมื่อเป็นเพราะว่าอ่าเมื่อแก้อย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปถ้ามีรัฐบาลที่เขาเลือกตั้งมาเนี่ยเขาก็ต้องแก้อีกเพราะไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงข้อมูลที่เขาทุกวันนี้แหละครับขอขอทราบคชี้แจหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็วิธีการที่ถูกต้องนี่ยคือเหมือนกับคนว่ายน้ําอยู่แล้วแก่ก็เกาะ ซากศพอยู่เราต้องการให้แกปล่อยซากศพเนี่ยแกจมนะอ๋อครับแต่ก่อนที่จะให้แกปล่อยเนี่ยเราก็ส่งไม้ที่มันดีกว่าให้แกแล้วแกก็จะเกาะได้ครับเพราะนอย่าลืมว่าเป็นปัญหาสังคมมันไม่ใช่ปัญหาสินธรรมอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาสังคมครับแล้วก็นําไปสู่ปัญหาเดียกรรมนําไปสู่ปัญหาการว่างงานนําไปสู่ปัญหาอฉกชิงนี่ลโะก็ตายเึ็นแถวไปเลย อย่าลืมว่าในกระบวนการตรงนี้คนมีเป็นแสนแสนครับซึ่งเราจะต้องมองว่าถ้าเราเลิกปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับเลิกเล่าปุ๊บเดี๋ยวก็ช็อกปั๊บตายปุ๊บเลยครับเกี่ปัญหาสังคมไม่ใช่มองกันแบบอย่างนั้นชงชางมากเกินไปทั้งทั้งสองสูตรนั่นแหละครับอย่าลืมรูพเจ้าเรียกว่าอบายมุกเป็นทางแห่งความเสื่อม วิธีการของเราก็คือให้ความรู้ก็ให้ไปกิจกรรมเหล่านั้นก็กำลังดำเนินไปแล้วเมื่อคนที่เห็นโทษเขาก็ค่อยเลิกการซื้อก็จะลดลงการผิดก็จะลดลงซึ่งต้องใช้เวลาซึ่งต้องใช้เวลาต้องยอมว่าปัญหานี้แก้ฉงสางไม่ได้ ม, มันเป็นเรื่องของสังคมแล้วเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่ถ้าดีไม่ดีนำไปสู่อั จ, จกรรมที่แรงกว่า นั่นหมายความไงหมายความคล้ายๆกับ ท, ท, ท, ที่กโก้ส ม, มัยเอคาโปน่ะครับเขาแก้โดยการสั่งห้ามผลิตเหล้าห้ามจำหน่ายเหล้า <c oughs> แต่ว่าคนก็ติดอะ่ะครับก็มีการต้มเหล้าถือนมีการสั่งเล้าข้ามรัฐมีสั่งเหล้าต่างประเทศเข้ามากลุ่มอิเตโอมก็เกิดขึ้น ราศดรก็กินเหล้าที่ที่ผิดสูตรตายแล้วตปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะแล้วทุกวันชิคกโก้ก็ยังขายเหล้าอยู่ <c oughs> คือคือคื อ, คอแก้ปัญหาไม่เป็นท <c oughs> ีน่โย่พูดนะถูกคือวิธีเนี่ยแน่นอนต้องแก้แต่เราอย่าลืมว่าเราต้องเอาอย่างอื่นมาให้แก่ <c oughs> คนที่ประกอบอาชีพด้วยสิ่งเหล่านี้จะเลี้ยงชีพด้วยอะไรใช่ครับเราต้องมีงานให้เขา <c oughs> ซึ่งงานนั้นจะต้องดีกว่าที่เขาขายหัวอยู่ ครับมันก็เหมือนอะไรอ่ะดงงูง่ายๆว่าการแก้ปัญหาเรื่องสสเภณีเนี่ยสสเภณีมันมาจากโง่จนเจ็บครับมาจะโง่อ่ะทีนี้ถ้าเราแก้เราต้องติดอาวุธปัญญาให้เธอให้มีปัญญามากพอที่จะไปประกอบอาชีพแล้วเมื่อเธอมีอาชีพที่มีไรายได้เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขได้เธอก็ไม่ไปหรอกตรงนั้นน่ะใช่ครับ เองนะฮะเราแก้ที่โง่และจะมันมันมันจนนี่จะเธอจะแก้เองเจ็บเธอจะแก้เองครับการวางแผนครอบครัวเธอจะแก้เองทีนี้เราแก้โดยการเอาไปฝึกงานที่ปากเกร็ดก็มีอยางทุกล้อนี่แหละฝึกงานที่ปากเกร็ด น, นีนคืออะไรคือฝึกไปแล้วนี่ปรากฏว่า ง, งานนี้ไม่พอเลี้ยงตัวเหมือนเดิมหลายได้น้อยกว่าเดิมรายได้น้อยกว่าเดิมพุทธทาสเดอก็หมุนกลับครับ คือเราต้องเผชิญหน้าความจริงฮะคือถ้าถ้าถ้าถ้าไปชงชางอย่างนี้ไปทำอวดอวดเคร่งอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับอย่างนี้อย่าอย่าลืมไม่ใช่ปัญหาศินธรรมอย่างเดียวครับแต่เป็นมัญนาสังคมเป็นปัหาเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างไปทางการเมืองด้วยนะครับล้วอย่าลืมว่าพวกนี้อยู่ในเบื้องหลังการเมืองเยอะเยอะเยอะนฮรูปผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยครับ เพราะงั้นวิธีที่โยมพูดมาถูกต้องคือคือแก้แก้อย่างนี้แก้ไม่ได้แล้วแล้วก็อาจจะลงใต้ดินทีนี้จะยุ่งยจะลงใต้ดินทีนี้ยุ่งคือพอลงใต้ดินปั๊บเนี่ยเขาแทงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนถูกมากแล้วเจ้ามือจะไม่มีจ่ายทีนี้ไล่ฆ่ากันนะทีนี้เห็นนะฮะปัญหามันตามมาอีกเยอะเลยครับว่านวิธีแก้มันไม่ใช้วิธีส่งสางแล้วรัฐบาลนี้มาแค่ปีเดียวทําอะไรไม่ทันหรอก นะมันต้องหาวิธีค่อยๆผ่อนค่อยๆลดร้อนผ่อนให้เย็นเขาเรียกว่าจงแก้ไขคลายร้อนผ่อนให้เย็นคลายไปเรื่อยๆเย็นปุ๊บทีเดียวไม่ได้ลราช็อกค่อยๆคลายไปไอ้ทีแก้ปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปครับนะำผัดครับชัดเจนเลยครับขอบคุณท่านผู้จัดมากเลยนะครับสายที่สิบครับผมสวัสดีครับเข้าวกล้องพ่อนะครับ พระที่ดูหนังฟังเพนี่คสินหรือเล่าครับคือพาพระที่ชอบไปดูหังโปเนี่ยครับแบบนี้เยอะและเกินครับครับขอบคุณครับคุณกรู้ได้ไงก็รู้ได้ไงว่าพระดูเยอะอลไรเกินใช่ไหมคือหมายความว่าคุณต้องไปเห็นเขานะฮะคุณต้องไปเห็นเขาแล้วมาก็ยังนึกไม่ออกว่าพระทําไมยัต้องไปดูหนังโป้พราอาตมาก็บวชพระตั้งนานแล้วนะฮะยังไม่เคยดูเลยเพราะงั้นมัน คือสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราต้องเห็นครับถ้าไหมฮะนั้นมันเป็นการกล่าวหาว่าพระเดี๋ยวนี้คุณอย่าลืมหมดพระทั้งโลกนะพระเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ว่าคุณอาจจะเห็นสักองหนึ่งแต่คุณทําไมคุณน่าบอกพระกร่ะคุณบอกพระเดี๋ยวนี้ทําไมเห็นนหมฮะคำพูดนี้ก็ไม่จริงแล้วเพราะงั้นถ้าถามว่าต้องอาบัตไหมมันก็อยู่ที่ใจท่านเป็นยังไงครับ เราว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งถ้าใจเราแข็งทอเนี่ยอยู่ที่เราคิดยังไงครับเราเห็นจากซากศพ อ, อารมณ์ว่ากรรมฐานที่เป็นศพมันก็มีเยอะครับแต่วิธีคิดหรือแม้แต่ว่าเป็นสาวเนี่ยถ้าจเจริญอัตถิกะสัญญาอยู่บางทีเราก็มองเป็นโครงกระดูกไปเลยครับผู้ที่จเจริญกรรมฐานคือคือคื อ, ค, อคือเราเราไปใช้คําพระเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับนะแต่ถ้าถามว่า แต่ต้องอบับบาดไม้ในแง่ของของศีลน่ะถ้าทั่วไปก็ต้องอบับบาดแต่ปัญหาว่าท่านคิดยังไงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง oh. มันก็อยู่ที่วิธีคิดของท่านเพลงบางเพลงเนี่ยฟังให้เป็นธรรมะ ก, ก็ได้ครับ <Okay. S 2> มายังเคยมองว่ามันน่าจะจัดธรรมะขีตา <Okay. S 2> เอาเพลงเนี่ยเช่นเพลงข้าน้ํานมเนี่ยมาเป็นเป็นเมนเดินแล้วก็อธิบายเรื่องบุญคุณของแม่ครเดี๋ยวนะ แต่ว่าเราก็อยากให้ชาวบ้านเราทำอาเคยพูดก็ใครก็ไม่ยอมทํำที่จริงเพลงมีเยอะนะเพลงเก่าๆเนี่ยสามารถสอนเป็นธรรมะได้ครับโลกนี้คือละครใช่ใช่อะไรจะดีก็ดีแยอะนะครับผมกล่าวขอบคุณท้าวจะาเปิดใจครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับขอบคุณราชการขอบคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีท่านผู้ดําเนินรายการด้วยนะคะครับสวัสดีครับที่ว่ามีปัญหานะคะคล้ายๆกับเอท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่โทรเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะ ฉันได้รับการติดต่อจากทางวัดวัดนึงอะคะ่ะจะขอยืมเงินในส่วนที่เอ่อจะไปทําบุญเ อ, อย่างอื่นนะคะอย่างสร้างสร้างอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใส่ซองอะไรให้พระผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะในพิธีมอบตําแหน่งพระครูอะคะ่ะเลยเลยไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเอ่อมีมีมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะมีแบบว่าใส่ซองครับ ให้กับพระที่มาร่วมพิธีอ ะ, ค, ะค่ะรูปอะค่ะรวมเป็นเงินจํานวนมากเลยนะคะแต่พิธีวัตถุประสงค์เออหรือปล่ะคะ <S <S เ, ออเอาเรต่องทางทวิทยู่นะครับ ค, ค, ควรควรจะให้ไหมอะค่ะครับผมคุณ้าไให้นะไม่ควรจะให้อยู่แล้วโยนะไม่ให้ไม่ควรจะให้อยู่แล้วแต่เราอย่าลืมว่าบางทีเรื่องนี้มันาจจะพระ จ, จะไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ไปไปดําเนินการไปไป น, าร <S <S นะฮะ ก็ดูแล้วจชักจะนอกเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าการตั้งสมณศักดิ์อะไรเนี่นะที่จริงมันมันเป็นเ้ามองที่ความรู้ความสามารถผลงานดีเด่นของท่านเหล่านั้นถ้ายุติธรรมนะฮะเกณฑ์ยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ก็ไม่ควรจะให้อะไรเพราะว่าถ้ามีคือท่านมาในสมมติท่านมาท่านมาก็บุติตาจิตทําไมต้องให้เสด็จตัง ก็ยังก็ยังนึกไมออกนะฮะว่าว่าทำไมสตางค์ต้องไปเกี่ยวตรงไหนถ้าฉลองอ้ออาจจะใช่นะฮะแต่ว่าทีเนี้ย ม, มันมันมันคือคือบางทีเนี่ยเวลานี้มันอะไรละ่ะวัดครึ่งหนึ่งกับการครึ่งหนึ่งกันนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์ไปทํำยังไงเนี่ยซึงถึ่งซึ่งอาจารย์เองควรระมัดระวังแล้วมายัางยังเรีกว่า วันที่6กนี่ที่ิงจะไปบรรยายที่ที่พุทธบุญทนเขาบอกว่ามีคนฟังประมาณสามพันพระสวดใหญ่รเราจะพูดเรื่องเรื่องเรื่องความมั่นคงของชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ก็คงจะคงจะได้ประรบปร ะ, ประเด็นนี้นะฮะแลมาดูอึดอัดนาและเรื่องเรื่องเรื่องการฉลองสมนาศักดิ์แล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือเอาเงินไปจ่ายผิดวัตถุประสงค์อย่างนี้ไม่ได้ อ, อพระอย่าลืมนะถ้ากว่าเป็นพระเนี่ยเป็นพันธะไทยนะฮะต้องใช้คืนนะใช้ชคืนเงินผิดวัตถุประสงค์นี่ไม่ได้เงินวัดเนี่ยจ่ายยากมากนะจ๊ะเงินวัดเนี่ยจ่ายยากมากอมาคนไม่ยุ่งเลย เ, <c oughs> เ, เงินวัดเนี่ยนะครับ ค, คือคือเรารับรู้ได้แล้ว<ล>ก็เขาทําอะไรรายละเอียดมาเราก็เซ้นทีหลังได้คร<ล>ัแต่ว่าเราจังใจเองเ ร, เราเราเราถือว่าเราไม่มีสิทธิ์อ่<ล>ะไม่มีสิทธิ์เสียั จ, จฟอนก็ อย่าอย่าไปสนับสนุนนะโยมคือคือเรื่องเป็นอันมากวันก่อนเนี่ยมีคนมาถูกคููมานะขอผ้าผ้าผ้าขนห500นูห้าร้อืนจ้ะเพื่อวันเกิดพระอาจารย์รูปหนึ่งเขาก็เดือดร้อนมากเพราะสั่งมาเลยว่าถ้าไม่ได้นี่จะถูกสาปถูกแ่างอย่างนั้นอย่างนี้อ ม, มาบอกว่าโยมไปบอกตอนนั้นมาเป็นราชธรรมในเทศ บอยเจ้าคุณราชธรรมนีเทศวัตประวรนนิเวศวิหารสั่งไม่ให้สนับสนุนและถ้าต้องการอะไรก็ให้มาที่วัตประวรครับผม <laughs> เออเงียบไปเลยนจเลยครั <laughs> ขบขอบคุณที่กาแจ้งครับขอสายต่อไปนะสิบสามันรอยอยู่ครับสวัสดีครับ ครับการรัตการพระกุณ้าเลยนะครับแต่ทร า, าบว่าผลไมาที่เอามาใส่เอามาไหว้พระพุธรูปนี่เอามาใส่บาตรได้หรืครับตอนหลังจากที่ไหว้พระพุทธรูปแล้วใช่ไหมครับเอามาใส่ใส<อ>บาตรได้ไหมครับหลังฟังหลวิทยุนะครับครับผมไม่ไม่แปลกอะไรโยนทําไม่เทยก็เหมือนการบบูชาพระรัตนารายพ <c oughs> ระพุทธรูปท่านก็ไม่ฉันนะพระก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธรูปก็ก็ทําไม่เทมันก็ได้บุญสองต่อนั่นก็เป็นการบูชานี่ก็เป็นการให้ทานนะครับ ก็ทำเต็มไม่ได้เสียหายอะไรครับผมครับแข่งับสายที่สิบสี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับครับครับสวัสดีครับกาศมรรคาท่านจะคุมอะไรครับครับคือพมอยากจะสอบถามว่าก็อีกาดาทุกอ่าออทษทสัญญาณไม่ชัดเลยนะครับขอขอขอใหม่ได้ไหมครับผมก็คือทำไมศาสดาทุกศาสดาไม่ สามารถทำให้คนทั้งโลกมีปัญญาเฉล้วฉลาดได้ครับแล้วข้อสองครับวิทยาศาสตร์ก็เจริญก้าวไลก็ยังไม่สามารถทาให้คนทั้งโลกมีปัญญาเฉลียฉลาดได้ทำไมจุป็ึ่ง่างนี้ครับู่ฟังข่าววชยุครับโยนต้องแยกประเด็นมนุษย์มันเกิดจากกิเลสกับกรรมกิเลสใครมากกรรมชั่วก็มากคนก็โง่มาก อกิเลสมันน้อยแสดงกรรมดีมากคนก็ฉลาดมากมันฐานมันเสียมาตั้งแต่ต้นฐานมันตา่างจะไป ต, ต้นแล้วในชีวิตประจําวันเนี่ยคนศึกษาเรเรียนต่างกันครับศาสดราเป็นผู้ชี้บอกาศาสตาไม่ใช่ผู้สร้างทยมจะโทษตรงโทษไปเจ้าหนุนไปเจ้าอ้างตัวเองว่าเป็นผู้สร้างมนุษย์ไปถามมันทําไมไม่สร้างมนุษย์มันฉลาดเท่ากันครับทําไมไม่สร้างมนุษย์ได้ดีเท่ากันครับ ก็พระเจ้าเองก็ทําไม่ได้ศาสนาที่นับถื่พระเจ้าเองก็มีศาสนิกที่แตกต่างกันอย่างนั้นประเด็นนี้มันเป็นคนละเรื่องกันน่ะฮะคนละเรื่องไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะวิทยาศาสตร์เองก็ทําอะไรไม่ได้หรอกคนเขามีความแตกต่างเฉพาะตัวเขานะหมายความว่าเขาก็ช่วยเท่าที่เขาช่วยกันได้ดีกันเยอะแล้วนะฮะในสมัยปัจจุบันเนี่ยค ว่าอย่าลืมว่าคนเรานั้นสัตว์โรคจะเป็นไปตามกรรมของเขาเองนะ oh. ของเขาเองของใครก็ของคนนั้นแหละ <What? S 2> มันมันไม่ใช่ว่าเกิดจะดนบันดาลขึ้นมาเป๋ากระหม่อมพรวดแล้วก็หายจากทุกไฟโรคอันนี้ <laughs> ไม่ใช่หรอก <laughs> นะครับขอบคุณครับขออนไปแชร์ลำพันธ์นิดหนึ่งนะครับสําหรับตอนตอน้นรายการที่กระผมได้บอกท่านผู้รฟังรายการไว้นะครับท่านผู้รฟังรายการที่อยากจะได้ซีดีนะครับปัตตะกะถาธรรมชุด สันติธรรมนำสู่สันติสุขซึ่งเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากกันนะครับถวัลเปรศกุลท่านเจ้าคุณธรรมโกศอาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น, นะครับเนื่องในโอกาสทำบุญจะยวัฒนมงคลท่านพลเอกเสรีพุกมารก็จดหมายมาได้นะครับที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมหกสิบเอ็ดปรลโยธินเจดจุจักรกรุงเทพหนึ่งศนย์ศนะครับหรือแฟนรายการที่เคยโทรศัพท์มาประจํานะครับก็โทรมาได้นะครับศูนย์สอง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 เราทําจํานวนจํากัดนะครับเพราะแฟนรายการนี่จองสั่งจองมาผมประจันพนธุ์เม่ที่แล้วไว้ก็สั่งจองมาเป็นร้อยท่านเลยนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับสอบถามแล้วก็สนใจก็สามารถที่จะอจดหมายหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับแจกเป็นธรรมบรรณาการนะครับขออนุญาตโทรศัพท์มาตั้งแต่วันที่หกไนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราหยุดนะครับวันที่ห้าขออนุาต่อไปสายที่สิบห้าครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับผมโทษจากปากินบุรีนะครับโอ้ครับผม ขอตอบเรียนถามปังหาหลวงพ่อสองอสองข้อนะครับ <Sure. S 2> ข้อข้อหนึ่งพระท่านสอนว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนแต <Sure. S 2> ่บางองค์ท่านสอนว่าให้ทำวัดสวดมนต์ทำวัดก่อนนอน ก็ผมอยากทราบว่าทั้งสองอย่างเนี่ยคือคือถ้าสวดเนี่ยก็ก็คือสวดเหมือนสวดมนต์เย็นนะครับถ้าทําวัดก็ทําวัดแบบพระท่านทาวัดเย็นนะครับแล้วทีนี้เราเป็นประชาชนธรรมดานะจะสวดอันไหนดีจะสวดอันไหนดีนะครับแล้วก็สวดอันไหนที่จะได้บุญได้ดุจสวรมากนะครับนี่คือข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกว่าให้เจริญคาถาบทเนี้ย อ่าแล้วก็จะมีอายุยืนยาวจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับคือมันมีแค่แปดตัวนะครับทานามาตุสักฝะนันทุกระผมอยากทราบว่าเขาแปลว่าอะไรครับครับขอบคุณมากครับแล้วฟังแต่เพื่อนะครับข้อแรกทําวัดครับท่านผู้ใจก็คือทําวัดหรือสวดบนนีิมันเป็นภาษาพูดเฉยๆนะหมายความมาตามปกติแล้วคือบททำวัดที่จริงมันเพิ่งเกิดไม่นานนะฮะเดือดประมาณสักร้อยกว่าปีนี่เองครับ เมื่อก่อนก็ เ, เขาเขาสวดพระสูตรต่างๆ ร, รูปพระสูตรต่างๆแต่รูปว่าเราจะเรียกว่ารสวดมนต์หรือจะเรียกว่ารทำมัทก็ทําไม่เถอะก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่า อ, อส่วนใหญ่แล้วเราก็มีเวลาจํากัดการสวดจะไม่ได้นานเทา่าไรอาณาโมอะราหังอิติปิโสสวัสดโตสุปฏิปโนอะไรต่อะไรนั่นนะแต่ทีนี้จะเป็นพระหรือคารวะถ้ามีเวลามากพอก็ ทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะฮะบุญมันเกิดขึ้นกับจิตของเราที่มีความสงบมีความออสว่างด้วยปัญญามากเท่าไหร่บุญมันก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นมา ก, ก็าแล้วแต่ใครอีกแหะครับท่านครับข้อที่สองให้สวด เ, เป็นคล้ายๆหัวใจหรือว่าอะไรก็ทานนามาตุสตานันทุอะไรผมจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นยังไงครับท่านถามว่าบทสวดพวกเนี้ยเป็นบทสวดอะไร เข้าใจว่าเป็นอะไรนะธานามาตุสัทนานุทุผมเพอันนี้มันเป็นคาถาแล้วพระเวรมวลคาถาแล้วครับใช่ครับผมพระเวรมวลคาถานี้ไม่ไม่ไม่ไม่รู้เขาหอกเพรว่ามันเป็นเรื่องศัยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องศาสนาครับคือเราอักษรย่ออย่างนี้มันแปลได้เยอะแล้วเราก็ไม่กล้าเสี่ยงแปล ครับะเพราะว่าที่จริงก็แปลได้นะแต่ว่ามันจะตรงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ครับเช่นทาเนี่ยอาจจะมาจากทานนะนะทานขอใช่เข้มาก็มานดาอะไรต่ัวนี้คือคือคือมันมันมันอักษรย่อยมันพูดยากฮะครับพูดยากนอกจากว่าแบบอักษรย่อยที่มาจากหลักวลีครับเช่นสังวิทาภูกะยาผาทีมะขังอังสุขุอะไรอะไรนี้มันก็ได้อันนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันเว็บมล่ะครับเว็บมลเราก็ไม่รู้เว็บเว็บมลอะไรเขาครับ และจริงไหมครับทุกอย่งครับเรื่องเวทบนคาถาจริ ง, งรหรอฮะพูดเรือร่อยอไปอ่ะอายุยืนอายุสั้นมันอีกเรื่องหนึ่งมันเรื่องบุญเรื่องบาปคร<ช>ับนะคนเราถ้าเบียดเบียนสัตว์ถฆ่าสัตว์มามากมากบางก็อายุก็สั้นคร<ช>ับแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อายุมก็ยืนนะแล้วมันก็เกี่ยวกับองค์ประกอบของการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันด้วยนะหลายๆอย่างคร<ช>ับเพราะ ว, าว่าความตายของคนเนี่ยมันคือตายโดยอุบัติเหตุ อั น, นี้มันสวดอะไรก็ตายนะใช่ไหแล้วก็ตายโดยถึงที่ตายครับหรือว่าตายโดยความพยายามคนอื่นครัาเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นะคาถาในแนวตรงเนี้ยที่จริงถ้าใครจะเชื่อมันก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่ว่าโดยเหตุผลมันเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนไม่ได้ครับนะเราท่องคาถาแล้วอ า, อายุยืนคนก็อายุยืนกันหมดแล้ว ครับป็นครับคุอาจารย์แฟนรายการเมื่อกี้ถามมาหลังใหม่นะครับเจ้าคุณอาจารย์จะไปบรรยายธรรมที่พุทธมูลนทนกี่โมงครับในวันที่หกธันวาคมสองพันสิบเก้าจะได้ตามไปฟังนะครับอ๋อจากบ่ายดาวงบบายโมงฮะจากบ่ายโมงถึงเท่าไหร่ก็รู้สึกเวลามีชั่วโมงครึ่งที่ห้องประชุมใหญ่เหรอครับห้องประชุมใหญ่ฮะครัเพราะตอนตอนนี้เขาไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ เมื่อวานนะฮะเมืม่อวาน 4, จนถึงวันที่เจ็ดสามสิบเจ็ดนะ 3, 7, 3, ครับผมยางไรก็เรียนเชิญเลยนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑลวันที่หกธันวาคมนะครับที่คุณอาจารย์จะไปบรรยายธรรมครับสายที่สิบหกครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอกราบเรียนถามนะครับก็อย่างนี้ครับผมเองผมชื่อนัทเสนนะครับที่สอบถามปัญหาเกี่ยวกับใบมุกที่ท่านได้กรุณาแสดงอธิบายเมื่อกี้นี้นะครับ คราว น, นี้มันเป็นประโยชน์มากแล้วทำอย่างไรถึงจะให้สารเหล่านี้้นะครับไปถึง ผู้บริหารบ้านเมืองอคือคณะกระทรวงอะไรก็แล้วแต่หรือคณะมนตรีที่พูดทุกวันเนี่ยครับผมอยากจะฝากท่านผัวจัดรายการไปหาบุเีรัมย์ด้วยก็ได้นะมันจะเราจะคริปรายการอย่างนี้นะครับตัวจุดนั้นเนี่ยไปเสกติดเกาวิญญาของท่านที่มีอํานาจวางขนาได้อย่างไรเท่านั้นครับคือมันมันเป็นนโยบายที่ชงฉ่างมากเกินไปครับก็เรียกว่าปลาชิวปลาซ้อยอ่ะ หรือมันแทนที่จะจับเรื่องใหญ่ๆที่เป็นหลักเป็นฐานมันต้องมองว่าไม่ใช่ว่าตัวเองรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขแล้วฉันจะเอาตรงเนี้ยตัวเองจะอยู่ที่มหาไทยฉันจะเอาตรงเนี้ยมันมันต้องนึกถึงกระทรวงอื่นรู้ไหมแล้วอย่าลืมว่คุณคนํากับคนครับเคุนทํากับคนพระพุทธเจ้ายังไม่ห้ามเลยครับพระเจ้าบอกทางเสื่อมนะให้หลบหลบไปครับห้หลบไปแต่ว่าเมื่อเขาไม่หลบ เขาก็เมื่อเราต้องการใจะให้เขาเลิกเนี่ยมันต้องจับเผ่าคุยกันครับแล้วก็ต้องเอาอะไรมาเสริมให้เขาเฉ ย, ยให้เขาเราอย่าลืมว่าอาชีพที่เอาแหละเอ๋อวยบนดินหวยใต้ดินเนี่ยจบคนเป็นแสนแสนครับ นะแม้แต่ไม่ต้องอะไรมากอะ่ะโซเฟเนียมาเคยเจอตัวเลขว่าคนอยู่ในกระบวนการนี้ห้าล้าน oh, <thank> ในความถ้าเราเลิกเราต้องมีกระบวนกา ร, รที่มีประสิทธิภาพมากและแก้ปัญหาทุกจุดไม่ไม่ใช่แก้ปัญหาร0อเอร์เซนแต่หมายความโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองานอาชีพแก้เรื่องปัญจาสีคอยให้ได้แล้วก็อย่างน้อยก็เรียกว่า พอเศรษฐกิจพอเพียงแหละแต่เกิดยังยังยังยังเศรษฐกิจยังไม่พอเพียงเนี่ยจะจะแก้อะไรยากขอบคุณที่ร่วมจานมากนะครับขอไปหลายสายเลยนะครับที่ไม่สามารถสอบถามกันมาได้เพราะสายแน่นมากเลยวันนี้นะครับวันนี้ต่อไปทั้งสิ้น16สายและรวมถึงคําถามทางบ้านอีกสองคำถามนะครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศิริจุมขอกลาวขอบคุณทุกสายนะครับที่สอบถามปัญหาธรรมมาเข้ามานะครับขอความเจริญในธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านวันนี้ขอกล่าวสวัสดีก่อนครับ